เรียกว่าบันไดาสามขันพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือพระองค์สร้างบันดไดไว้ให้พวกเราเกิดมาแล้วคบแล้วบันไดอันดีสามที่พระองค์เจ้าสร้างเพื่อให้เราไปสู่สุคติสวรรค์ หรือสร้างให้เราเป็นคนดีทางบันไดาสามขั้นเท่านั้นแหละถึงสวรรค์เลยถึงถึงสวรรค์เลยทีเดียวที่ว่าสูงสูงสวรรค์ น, นั้นไม่สูงหรอกสามขั้นเท่านี้แหละพระเจ้าทำเรียกร้อยหมดทุกเสียงทุกอย่างเพียงเรียกลื่นทุกประการ มันในสามขันนนะคือทานศินหนึ่งทานหนึ่งดินน่ภาวนาหนึ่งสามขั้เท่านี้แหละผู้ที่มีเจตนาศรัทธาคือผู้เตรียมตัวเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง และต้องดำเนินทานไม่ว่าทา น, นนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามจะเป็นของมีราคามากราคาน้อยไม่หลอะผู้ที่เกียมทานแล้วทำทานโดยความเรียกร้อยทุกอย่าง จะทานอาหารการกินก็เอาเถอะผ้าผ่อนเรื่อหน่ขงของห่มก็ตาม mm hmm. ในวินน้ใหญท่านว่าทานี้จิอย่างอ น, น, านาปานังวัฏถังยานางังวาราคัณทังวิเยปนงังให้เข้าให้น้ำอันข้าวนั่ง เป็นของไปจำชีวิตของเราเรามีทุกวียทุกวันนั้นเรเรียกเรียมคล้อแล้วทุกอย่างทานเมื่ อ, อไรก็ได้ปานางคือว่านา้ำน้ำยิ่งของหาง่ายเราที่ไหนก็ได้เอาในน้องในสาวเอาไหนบ่อในบึงได้ทั้งนั้นเน่ย น้ำของหาง่ายที่สุดผ้าพ่อเครื่องนุ่หงคงมตามมีตามใดของเรามีสิ่งใดดีจะทำทานก็ทำได้ทุกประการงานเครื่องภาหนะอันนั้นก็เป็น ฐานอวัตถุอันนเครื่องรูปไลายคองหอมเครื่องรูปลาเครื่องห อ, อมเครื่องรูปลายอันนี้ท่านไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้เอาไปให้เพื่อทาหรอกเอาไปอยู่เมื่อไปประดับตกแต่งมากไอ้ร่างกายหรอกแต่ว่าเอาไปประดับ อาคารและที่อยู่ที่สถานเครื่องบูชาทานทั้งหลายเหล่านี้เซนาสนะอีกอย่างหนึง่งซึ่งเป็นทานวัตถุที่อยู่ที่อาศัยจำเป็นต้องอยู่ต้องอาศัยถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็ลำบาก นี่เรียกว่าทานนะวัตถุสิบประการทานในเรื่องพืชสูตรท่านบอกว่าทานนี่ทานมีสิบประการอีกนะเรียกว่าทานแนะประมีเป็นต้นอะเรียกว่าปรามีอะไรมีบรารมีสิบทานปรมัาถาปรมีมีสองมีสามอย่าง ทานปุปมีทานมาธาปมีทานไอทานุปปมีทานุานปมาปมธปมีมีสามอย่างทานธรรมดาสิ่งของในหน้นนะที่ว่าวมัเมนะื่อนั้นเราทานด้วยเจตนานะธรรมดานีนที่ว่าทานอุปปมี ทานตามบ้านตามเมืองทานตามอู่ตามเพื่อนทานตามก็เป็นีนั่นบุญถ้าบุญก็ไม่คิดถึงบาทก็ไม่ไม่คิดถึงหมุนถึงกุศลอะไรหรอกแต่ว่าทำบุญทำทานได้เกินเขาว่าทานก็ทานไปเพราะนั่นเป็นทานบา ร, รมี ทานอภป ร, ปรมีนะคือว่าจิตเจตนาแน่วแน่เต็มขึ้นใจคนนั้นอีกสรงที่จะทำบุญทำทานเฉพาะเจ้าชงพระเจ้าพระสงค์หรือทำการแสดงกรฐานก็ตาถึงจิตใจเต็มแน่วแน่ขึ้นไปคนนั้นอีกทานภปรมัตถป ร, ป ร, ปรมีนะทานอย่างยิ่งยวด ของไม่สำคัญอะไรนะแต่ศรัทธานะี่เป็นของสำคัญมากตั้งใจทาทานจริงจริงจังหวังประโยชน์ส่วนยิ่งทาบุญทำทานเหมือนกันจะเห็นผลในสมสงปัจจุบันได้เห็นผ ล, ล, นนนผลในวันพรุ่งนี้มเมือนเดิมแนวแน่เป็นที่อันนั้นได้บุญมาก ที่ทานว่าทานประธรรมทัปมนิเคือให้ชีวิตเป็นฐานเมื่อเกินไปชีวิตก็คือความเป็นอยู่ของเราเนี่ยแหละถ้าหากว่าเราทานชีวิตจิตใจจริยยงๆอาจางยอมสละชีวิตจิตใจจริงๆน่านจะเป็นฐานประมาททัปมนิ านอาหารกรกินเราเถอะเข้าน้ำพวกจะน่าทานอะไรตามเถอะยอมละจน ส, สระชีวิตจริงๆริงอย่างไม่ถ้าชีวิตร่างกายของเราจะต้องจะตายจะชินชีวิตตามเถอะขอได้ให้ทานได้ก็แล้วกันอ น, นุญาตทานปรมาตรับเรื อันนี้เป็นขั้นต้นขั้นหนึ่งต้นขั้นหนึ่งเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าทานมีหลายอย่างรัตการนั่นคล้ายกับพระพุทธเจ้าเบิกทางให้เราสร้างบันไดให้เราใหเราขึ้นชั้นช้นฟ้าสวรรค์ขึ้นชั้นฟ้าได้โดยการใด หมายความว่าขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์เพราะจิตใจระเบื่อบาทนั่นแหละคือเจฟ้าสวรรค์เราทา ท, ทานแล้วจิตใจอิมอ่มเอิเกิดตุ้งปีติในใจทานขึ้นสวรรค์ตรงนั้นสีรังรัตติภาวนานัง เ, เวทตะวา ต่อไปว่าให้รักษาสิ่งให้ถึงตัวแล้วฝันถึงตัวเราเองรักษาสิ่นคือรักษากายของเรารักษาใจของเราว่าจางเรารักษาใจของเรานีแล้วไม่มีอะไรก็ได้มี่ง่ายที่สุดทำบุญนง่ายเป็นบุญเหมืนมอนกัน รักษาสิน่ันไม่ต้องหาวัตถุฐานอื่นงดเ้นจากกันา ค, ค, คิดคมชั่วโดยประการต่างๆคือชิ้นทาชิ้นแปดชิ้นสิกันเองชิ้นสองร้อยยี่บเจ็ดรักษากายรักษาวาจา นักษาน้ำใจรวบรวมมาตรงนี้สินหาสินแสสินสิทธิสิสันติยุตเสร็รวบรวมมาที่กายว่าใจใจทีทั้งนั้นกายไม่กระทำวาจาไม่พูดเท็จต่อเสียงยุโยงอะไรต่างนั่นใจวิตรติงดตัวเองจากโทษนั้น กายของเราหมดเว้นแล้วจากการทําคงชั่ววาจานั้นมันยากหน่อยรักษาศีลตั้งส่วนวาจานั้นยากที่จะรักษาหน่อยพูดยากพูดสอเสียดยุบยง พูดอะไรหยาบคายต่างๆทุกหลายอย่างแลกประการก็เสียดชึ้งกันในกันยุบลงด้วยกันในกันส่งเสริมความชั่วโทษยินทาสารการตัวอย่างอันนั้นเองความชั่วนั้นมันยังมีอยู่สาสินนั้นไม่ครบมันขาดแรง คนรักษาติดต้องคิดถึงตนนี่สิคิดถึงวาจาตันี้นเนามีศีลแล้วเราควรที่จะ ง, งัดงดเว้นจากความชั่วด้วยด้วยวาจากมงดเว้นจากความชั่วด้วยวาจ า, ดจ า, ดวว า, จาได้แล้วงดเว้นถึงใจใจที่งดเว้นความชั่วใจเป็นของสำคัญมากนะ สำรวมใจเป็นของสำคัญมากถ้าํำรวมใจแล้วกายแล้ ว, วาจาไม่ต้องพูดต้องํำรวมไปอีกรักษาศีลต้องเห็นใจตนเองํำรวมใจตนเองจริงจะบริสุทธิ์มีเร่งขันที่สอง ไม่ต้องรักษายากไม่ต้องไม่ต้องไปหาของมาทำบุญทําฐานมากครบมดบริบุญเราละก้มชั่วใจกายแล้วเนี่ยชิวะเราทานแล้วนะ่ะทานของชั่วแล้วเราละก้มชั่วใจวาจาด้วยใจนะั้นเรียกว่าเรามีวัตถุฐานพอหมดบริบูญุญคนชั่วเขาจะเอาเราคันให้ทานไใมใ่ส่ ไม่อดเจาคนที่จะทานขอแต่ให้ทานฉลากไปเถึกกายวาจาใจอังสวนที่ชั่วนั้นของไม่ดีนั้นละออกไปหมดคนที่จะเอาไม่ต้องเรียกพวกเรามาอยู่ในโลกอันนี้ชื่อว่ามาก่อกครัอย่มชั่วเที่ยวพระเจ้าส ท, ทิงแล้วทั้งนะั้น พระสาวกทั้งหลายท่านทิ้งหมดพวกเราตาตามแย่งชิงแย่งชิงเอาของของภูริเจ้าของพระสาวกทั้งหลายแล้วเข้าใจเป็นของดีของดีแท้ที่จริงก็เป็นของส่วงโป่งทั้งนั้น ภาวนาดนังพระเตัว่าขั้นที่สามคือภาวนาโดยมากมัไม่ถึงที่จะทําทานไม่จะรักษาศีลจะทำทานและรักษาศีลกงไม่ครบบริบูรณ์อย่างอธิบายนาดนั้นส่วนภาวนานี่น้อยนักน้อยหนาที่จะเกิดไปได้ที่จะที่จะปฏิบัติที่จะก้าวถึงภาวนาเนี่นยยากนัก เพราะนาเขาเรือื่นไกลอยากเข้าใจว่ามีในอื่นที่ไกลเพราะนาคือการทําให้มีให้มันเกิดตนเองนถ้ามันเกิดทํามีขึ้นในใจของเราเองของที่ไม่มีมันมีขึ้นมาของไม่ไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นมาอะไรที่ไม่มีไม่เกิดทานก็เอาซื้อกินก็ซื้ ขอให้รู้เรื่องของตนว่าฐานมีในใจของเราอย่างอธิบายให้ฟังมาขมชัว่วของฟองมดเราสร้างเราเรียกว่าทานศีลนคือรักษากายว่าใจใจให้บริสุทธิ์เราวิริยติงดเล้นนั้นเรียกว่าศีลเราเราพิจารณาเศีลว่าทานศีลมีในตัวของเราแล้วให้รักษาฐานศีลให้ไว้นั่นแหละเป็นภาวนา คือให้มันมีขึ้นมาเแ็่ก่อนมันไม่มันไม่มีหรือมีเมือนกันแต่ว่าเราไม่คิดเราไม่คิดว่ามันมาเกิดชิ้นนี้ที่ดวงเราไปหาโน่นอื่นไใดจากครูอาจารย์จากพระเจ้าพระสงฆ์ชิ้นยืนนอนพ่อหน้ า, น, า น, นั้นเข้าใจว่านอนเสียเวลาเข้ามาพิจนารณาในที่นี้นทานโน้นสระที่นี้ชิ้น่อ ญิจิตตรงนี้ตรงนี้แหละเป็นภาวนาเลยข้อ น, นี้มันเกิดขึ้นในทิศให้มันเกิดมามีขึ้นในที่นี้นั่นในวิรพรนะเอาขั้นนี้แหละเอาภานานนี้ไปก่อนขั้นหามันเกิดมามีกัแล้วมันมีอย่างนั้นแล้วให้กำหนดพิจานางนั้นอยู่เสมอเสมอสติตั้งมัน่นนี่เจตนา แน่วแน่ในใจเป็นภาวนาในตัวคือภาวนาคือตั้งสติเองจะตั้งสติในที่ไหนก็เอาเถอะเรื่องภาวนาเรื่องทานเรื่องสินเรื่องทานก็เอาเถอะขอให้ตั้งสติแน่วแน่นั่นก็เป็นภาวนาเท่านั้นเองของ ง, ง่ายๆสารธรรมสมเพียรุสาน ธปฏิบัติพุทธศาสนาง่ายนิดเดียวถ้าปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติไม่ถูกอ่หางองมาอยู่คนเนี้นเมื่อทำทานรักษาสินภาวนาแล้วจิตใจก็เบิกบานจิตใจก็ยิ่มแย้มแจ่มใสจิตใจก็ร่องใสบริสุทธ จิตใจมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเรารวบขั้วโมบันไดทั้งสามขั้นเอาไว้ในตัวของเราแล้วครอบบริบูรณ์แล้วให้เจริญยุติเสมอให้พอนนายเสมอตลอดเวลาอันนี้จะเป็นทางสู่สวรรคติถึงพระนิพพาน ไม่ใช่แต่เพียงสวรรค์ุกติซะถึงผดีผานทีเดียวคนทําบุญนำทางกรปรานาให้คนจากทุกข์มันจะพนได้อย่างไรที่นี่ยังไม่ท่านถึงเนะี่ยไม่พิจารณาถึงตัวของเรามันก็ไม่พนได้หรือสิอยากเก็บนได้เฉยนะเราไม่ทำมันจะพนได้อย่างไรบางคนเนั่ย ทำทานเม้ายาไม่ทำทานรักษาชินเข้าไปยรักษาของตื้นของต่ำจะเอาโน้นมะผอนนิพานโอ้ยไม่ได้หรอกแต่นี่ก็ยังไม่ได้มันจะได้อย่างไรการการทำบุญทำทานไม่ต้องการในการรักษาชินเข้าไต้องการเอาวิธีพานอย่างเดียว เมื่อพอนี่ทานไม่ได้แล้วเมื่อทานบนทำทานารักษาศีลไม่ได้แล้วพอนี่ทานไม่ได้เลยเมื่อไม่ได้มันก็ขาดทุนทั้งสามอย่างจริงมันก็ขาดทุนทั้งหมดเลยจริงท้างก็ไม่ได้จิ้งก็ไมได้พ่อนาคก็เลยไม่ไ ม, มีสําทำทานไปมันหากเป็นศีลขึ้นมาในตัวอย่างอธิบายเมื่ฝั่งนั้นรักษาศีลแน่วนแน่ไปไม่ได้เกิดอานา ในตัวอย่างที่ว่านั้นใน่อยที่บัดไปอย่างนี้แหละแต่เบื้องต้นในหลักไปโดยลำดับไปก้าวขึ้นขั้นสามโมที่เดียวขึ้นไม่ถึงมันก็ตกบนดาหยาติดาไม่จะไปได้ไม่ไไไมถึงได้อย่างไรเอาละอธิบายกันี้ เอาภาวนาจะเอามากเอาหลายอย่างมันไม่เป็นภาวนาหรอกนั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาคุโุก็จะเละหั่งก็เอาอนาปะก็จะเอายุบเนอเ้อเนอเขาทั้ไม้ละหั่งก็จะเอาแล้วก็เอาเอาหลายอย่างมันเลยมันไม่เป็นภาวนาอย่งค่อยเอารายอย่าง ถ้าภาวนาจิตจริงจังแล้วอันเดียวเท่นั้นจิตมันอันเดียวยังค่อยเป็นภาวนาถ้าจิตละอย่างก็เส็จแล้แสดงว่าละ ล, ะละลวนเลยจิตใจลวงเลยไม่ตั้งมา่นอันเดียวนึกพุดทธโธเดียวก็ได้ สงสัยว่าขุดโพจะไม่ถูกนิสัยทหารจะไม่ถูกนิสัยนาปาแล้วจะตีจะไม่ถูกนิสัย เ, เลยยุ่งแบบไงวะ ม, นมันนั่นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกมันตำหลาขาวามาชื่เลื่อนนะขอโทษเถิดมาชี่เลื่อนเขออาน้ามาทันไปไหนมัาไงครอบครัวนั่นแหละในลุก เปลอกจะนี่ก็เป็นนอนท่อนก้อนนะก็ลุกไปนอนโน่นอีกแหละหาว่าที่มันไม่ดีอันแท้ที่จริงตัวเราไม่ดีต่างหากมันยังหาอยู่มาแล้วสักทีตอนนี้กำเนิดกัอนนั่นแหละอันนั่งก่อนไม่ดีก็หมายความว่ามันที่ไม่ดีนั่นเองที่น้องก็ไม่ดีที่นี้ก็ไม่ดี แท่จริงตัวรอนมันไม่หลกเป็นหนึ่งต่างหากจึงเรียกว่าหมาจีเลื่นเท่านั้นลงเง่นเดียวแล้วถ้าจิตแน่วแน่ลงไปเชื่อมันมาอันนี้เราเป็นของดีคงเชื่อแล้วนะเรื่อ ง, งของสำคัญเป็นรักษาแส้่งเงื่อนจิ้วลื่นได้รักษาขอ ง, ของดีนั่นแะ อันชื่ออความเชื่อนั่นแะแน่แน่นั่นแหละไปรักษาแผลคิวด้านไหนให้หายเป็นโทอหนาสมาธิเลยเอาอะไรก็ให้เอาจจิงจังจังให้ตั้งมั่นอันเดียวจิตตั้งมันนี้เอกภะตาจิตเทวจิตเป็นหนึ่งคือจิตลงเชื่อมั่นในเดียวนี้ ที่จะถึงมรรคโหนิพพานก็จิตเป็นเอกเอ ก, ะกะตัตตาจิตเอกสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งเพือถึงมรรคโหนิพพานถ้าหากตอนยังบนเลอยู่ไม่ถึงเอาอันนี้ละเอาเดี๋ยวตัวนี้และเอาไหนก็เอาจะเอาไหนก็เอาขอให้เอาแนวเนี้ยลงไปอันเดียวเอาละ่ะไม่ตะกุดมาตรงนี้หละ